คนต่างประพฤตตามคําสอนสี่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในหมอกใจสิ่งกันแลกกันหมอกใจถวายชีวิตต่อกันสุขทุกข์เยื่อคั่งถ้าเป็นอย่างนั้นครอบครัวนั้นถึงจะอดอยากอย่าเส้นเส้าของเงินทองเขาขอนอนหลับสบายในวุ่นวายเดือดร้อน คนที่มีเงนทองเข้าขวังมากขนาดไหนขาดสามีไปเป็นอย่างนั้นภรรยาไปเป็นอย่างนั้นไม่มีวันสงบในครอบครัวได้เสี่อกเสียใจขาทกันตายทพเลาะเบาะแว่งแต่สามัคคีกันนี่มันเป็นอย่างนี้ทางของภูมิใจเจ้ามีสาว่าการถูกโกหกพโลลม ก็เหมือนกันคนที่พูดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยมีใครเชื่อเกิดมาถึงจะพูดความจริงขนาดไหนเขาก็ไม่เชื่อเราพอเราเคยโกหกเขาเรื่องเขาจะจางเก่ามัมเหตุผลอย่างนั้นแทนที่จระรักษาสุราตัวปกติอยู่ดีๆมันก็ บ, บ้าอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็น เนื้อดูดงทั่ไปมันเป็นอย่างไรล่ะถนนใหญ่ๆมันก็เดินเดินไม่ถูกนี่นะเป็นอะไรก่อนเต็มไปต่างๆนะนาคนสีนาำสีลาแต่คนก็ชอบกันแบบจินเผื่อสังคมความจริงสังคมสีลามันใส่สังคมผิดไปนำความถูกความเจริญมาให้สังคมจุดหายสังคมบ้า ดูใจก่อนใหยรูย้จับผิดถูกเั่วดีอะไรหาความละอายในใจหนนี่นมีหย่างตัวเต็นบ้าเพิ่มบ้าขึ้นอีกทนจึงสอ น, นให้ายดื่มหรักษาถาาาาาาาา้าสาธารอยากจะเป็นคนดีต่อไปในทางั้งนหิ้ทั้งห้าข้อที่อธิบายมา หากพิจารณาโดยควา ม, ามรววจริงธรรมในเข่าตัวเราจะทราบว่าถิ่นตั้งหาขวัีิพระพุทธเจ้าทรงมันหยัดเอาไว้เป็นคุณเป็นอ น, นิสงยิ่งใหญ่หากทุกคนสนใจรักษาโลกอันนี้จะมีความสุขเหมือนเทวดาไม่เลยลำบากยากเย็นจนทุกข์ก็เหวด่ยงไร เพราะใน้าดการเบียดเบียนกันไปสถานที่ใดในต่อไปรักษาเข้าของเงินทองว่ามันจะถูกขโมยมาแย่งชิงออกไปไปสถานที่ใดในห่วงบ้านห่วงชอบห่วงสามีภรรยาว่าเขาจะปลุกพืชนอกไปมันฝึกมันสบายเไหนไปสถานที่ใดในนี้ใครแตโกหกพบลม มันสุกมันสบายแว่โลกยุ่นวายทุกวันนี้เป็นเพราะอะไร่าที่เสมาการจริงจังก็เพราะขาดการรักษาศีลแล้วทําไมคนสมัยใปัจจุบันเขาจึงว่าศีลเป็นของเครื่อของลาสมัยมันได้มาจากที่ไหนหลักความทันสมัยขัดกันที่กันต้นกันไม่หรือทันสมัยหนึ่งหรือความเจริญของโลก นั่นหรือคนมีปัญญาให้พี่เจนมาให้ทั่วถึงเรื่องเหล่านี้ถ้ามันเป็นกันอย่างนั้นมันจะอยู่กันได้ไหมเราถือหนังรวมกันอยู่นี้เกิดถืออาวุธ่าตีกันขึ้นจะอยู่ได้ไหมจะมีความสุขกายสุขใจไหมมันเป็นไปไม่ได้รักขโมยช้องการจะทำนองเดียววม่มีอะไรที่ดีที่เสียทายกฎหมาก็ห้ามกันเอาไว้ ออกจากขีนทั้งห้าท่ไม่มีศีนที่มีกฎหมายถ้านมีขีนแล้วกฎหมายมีขีนไหนเขีนไหนพระผู้งง ป, ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะยีในไปติดคุกติดกระรามันไม่มีถต่พระที่ทำชั่วทําเสียไม่อยู่ในขอบขายของศีนเขาจึงจับฝึดออกไปให้ิดกระรางเพราะการประพฤติชั่วขีนอาผิดจากศีนและผิดจากกฎหมาย กวดน้ำน้ำยาฉีนมันละเอียดหากรักษาได้โลภสบายโลกคป็นสุขมีเหรียญของศีนขาดหน้าหากคือได้รักษาศีนเอาไว้ถึอเราไม่ทราบด่าสวรรค์อยู่ที่ไหนเราก็ไปถูกเพราะอํานาจของศีนที่เรารักษาเอาไว้ชักจีงเราไปเหมือนกันกับเราไม่ทราบว่านรกอยู่ที่ไหน คุกตารางหรือที่ไห น, นในเชื่อกใครทานั้นทําผิดเรื่อยไปทุกหนเคยเห็นคุกเห็นตารางเห็นเสาเห็นเตือนอะไรต่อตามเขาก็จับไปได้ไม่เคยเห็นก็จะเห็นเ ด, ดี๋ยวตาของตนพอทำผิวทำเสียมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมะมันมี ความจริงในตัวของมันทุกสิ่งทุกอย่างไปเราจึงควรที่นี่พเจนาเรื่องธรรมะสอนใจเหนือเราอยากจะไปเกิดในสถานชีวิตสติที่งามแล้วส่งสะสมอบรมคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีที่เราทำไว้หายกลจากใครไม่มีใครที่จะมาปล้นไม้ขี้คุณงามความดีปไปปนอุบุ เอากุศลเอาเสียงเอาธรรมจากคนนั้นคนนี้ไม่เคามีโลกอันนี้เพราะเสียงธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอริยสัจเป็นรั์ของพระอริยเจ้าห่างไลจากภัยเงินกนไม่ได้ไฟไม่เลยเสียน้ำก็ไม่ท่วมเขามีอานาจวาสนาจะมา เลบมาลียเออกไปก็ไม่ได้มันมีอยู่ในตาในใจของใครคนนั้นนหะจะเป็นสุขจะสาบายปลอดภัยดังนั้นเราทุกท่านที่สนใจใ่อ <c> ด <oughs> ในธรรมของใครทีบที่ที่เจอมาศึกษาอย่างธรรมะที่ท ปนประโยน์ปัจจุบันธรรมะที่เป็นประโยชน์พบหน้าธรรมะคือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นไปตามวาระจิตของเราเองวาระิตของเรานม่คิดอยากจะหล่งเรืยเข้าคลองเงินทองในโลกแล้วก็ต่องแสผมจะทําบําเพ็ญตามโอวาทที่ถ่ายสอนประโยชน์ปัจจุบันเราอยากเรียนไหวตายเกิด ก่อภพก่อชาติในบัวนายในการเกิดการตายก่สะสมอบรมประโยชน์ทางหน้าคือสัทธาศีลท่าเหุ่นศักดิปัญญาจะขะปัญญาเรื่อหลักตำรักตาราหลวงตาก็ไม่เลยดูในเรียนมันก็ยากอย่างว่าอ่านท่านนานๆขึ้นไปมาพูดทีหนึ่งมันก็จําไม่ค่อยได้ นี่คือเรื่องของประโยชน์พบหน้าถ้าเราสะสมเอาไว้ขอได้พอหนึ่งเราจะเด็ดสิ่งพาอาศัยถ้าหากเราไม่สะสมเอาไว้เราจะไปอาศัยอะไรถ้าเราไม่มีทุนจะไปทําอะไรดีกว่าทำอะไรได้อย่างการก่อนจา ทำคุณงามความดีจึงจะหนาที่ของเราทุกคนคนไหนมีความดีจะไปเกิดจะฐานที่เตอบใจ น, น, น, ใ น, บนั้นมันเป็นไปไหนได้เหมือนกันกับคนไหนมีทมบัติอยากจะได้บ้านใหญ่โตโตมันก็สร้า ง, างาไม่ได้เพราะไมมีสมบัติเขาของเงินทองอะไรอยากจะกินของขี่มีรสชาติอระไร มันจะไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะไม่มีอะไรที่จะซื้อเขาอยากนิ่งเงินอยากจะไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้นจะเดินไปหวังจะถึงได้ก็แทบตายบางทีเราไม่มีโอกาสเวลาไปถึงต้นไม้ที่เราต้องการอยากไปเพราะเรามีทุนหถ้าเราไม่ทุนเล่าในต้นอย่างนั้นอยากได้บ้านหลังใหญ่ถนาดไหน เรามีเงินมีทองเราก็สั่งเอาได้อยากกินอะไรเราก็สั่งให้เขาเอามาให้สะดวกสบายอยา่าเนื่งุดงิดอะไรก็ทํานองเดียวกันอยากไ้ที่ไหนไม่ต้องเดินไปนั่งรถเดนรถไฟขึ้นถึงดินไปง่ายมีคนที่มีบิญหลักกันกะนะภายในก็ทํานองเดียวกันฉะนั้นจงพากันสะสมคุณงามความดีเอาไว้เนื่อยัง ยิ่งอยู่ในกา ร, รยันหนายตายเกิด อ, อีอย่าให้ขาดทุนสูญกาําไรจะเกิดสถานที่ใดขอให้เกิดในที่เหมาะสมถ้าเรามีคุณความดีเรื่องเกนได้เราไม่อยากได้อันนี้เราอยากได้อันนั้นถ้าเรามีเงินเราก็ซื้ออาได้าหาเอาได้ถ้าเราไม่มีเงินมันจะเป็นอย่างนั้นอยากได้อะไรมันก็ไม่ได้้ตามใจปรารถนามีวินกจฉัยภายในแต่ทำนองโยกัน สุที่เยีนบด่ายตายเกิดจึงควรสะสมให้มีในตัวของตัวทำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขัานหลายตอนที่เราจะนำมาสอนจิตใจของเราแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามตามเย็นบด่ายตายเกิดนี้ <c oughs> มันทุกข์มากกว่าความสุข ถึงเราจะมีข่าคล้องมากมายกายกองเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดทุกข์มากมายเข้าใจของเราไม่มีธรรมะมันโกหงอันนั้นหวงอันนี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขใจที่ของจิตคิดเป็นเหมือนนั้นให้ใจงบระงับได้กระวนกระวายเดือดร้อนยากจะให้โรคภัยมันหายไปจะใจถูกกายถูกใจ มันคิดไปไหนถ้าคนมีธรรมะสะสมธรรมะสั่งธรรมะที่เจรณาธรรมะในใจจริงจังในต้นอย่างนั้นพราทำอยู่มีชีวิตอยู่การรับการดูแลรักษาการปฏิบัติตามหลักของถากของขัน ท่านผู้รู้ในธรรมะท่านจป็นผิว่าภาลาหาเวปันจักขันธ์าขันธ์ทั้งหา้าเป็นภาลาหาัหนักคือหนักหน่ลงลำบากยากเย็นใจบริสุทธิ์แล้วก็ยังเหประพฤติปฏิบัติตามเรื่อ ง, องมันขาดขันธ์มันอยากเดืมอยากขันตัวตรงขันหมน์มันมันอยากถ่ายไปวตรงถ้ามันไปถ่ายมันลําบาก แบบธาตุแบบขันเลาแบ ก, แแบกไปเท่าไรจะหนกักไปเท่านั้นแบใไ้เพื่ออะไรจริงๆเราขาดฐานไม่ฐานในขันมันนีมีอะไรอีกเพราะเราไป <c oughs> ที่พิจรารณาถี่ถึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจที่เราต่องการอัดทำจากธาตุจากขันเราได้พิจารณาแล้ว เราได้เห็นไต้เจอแล้วมปล่อยวางขาดขันเมื่อไรมันจะสุกจะสบายอย่างไรท่านก็ทราบเพราะอย่างนี้ขาดขันเป็นเครื่องกดทั่วนี่คือผู้ปฏิบัติถึงขีดสุ ด, ท, สดท่านสุกท่านสบายไม่เย็ยนไม่ตายเกิดอีกอันนี้พานังตระมังศิลยัง ไม่อยากตายว่าพระนิพพานมันสูญไม่มีเรื่องเจรละครดูไม่สุขไม่สบายให้เคยเห็นหรือยังนิพพานมันสูญจริงจริงจังหรืรหอนิพพานังปรมังสุขขังถามันสูญมันสุข ม, มาจากที่ไหนล่ะต้อพิจารณาให้เห็นให้เป็นในจิตในใจอย่าไปคิด เงใสอย่างเอวาตของอวุธให้เจ <tem> ้าหากเราเพื่อปฏิบัติเข้าถึงความจริงแล้วโอหัดทุกสิ่งทุกส่วนเราเชื่อเราเหลื่อมใสเราเคารพเพราะทรามนียรสอนเราไม่ได้คิดมูนค่าสาระอะไรตั้งใจจะสอนเราให้มีความสุขความสบายปราศจากทุกโทกเท่นั้นในเหมือนพวกเรา ส่งเรียนวิชามาเป็นครูเป็นอาจารย์ไปทำงานบาราธนาไม่มีเงินเดือนหม่สอนให้ผู้พิ้ากหาคิดแบบนั้นสอนด้วยความเหนืตาสงสารเห็นว่าสัตว์ถั่วไปถ้าหากในรับโอวาสจากเราแล้วจะไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกข์จากทรได้จะเวียนว่าอยู่ในวัดจ่าสงสาร วสามสารวัดรเหนื่อยไปถึงทุกข์ยากลำบากเหนื่เหนื่อยเหนื่อยหูพระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จไปเทศไปปลกสัตย์ถือควรจะสอนเจอเนี่ให้พระพุทธเจ้านล่ถือเอาความสุขจากพ่อพระองค์สงสารสัตแต่ตัวพ่อพระองค์เองเล่าไปสอนสัตเขาปฏิบัติรู้เห็น ดีเด่นขึ้นพระองค์ได้อะไรเขาใม่ปฏิบัติตามคำสอนทั้ง ần, ท่านท่านเสียอะไรท่านทราในพระไทยทั้งท่านที่อบอริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะได้ที่จะเสียต่อไปแต่ทําไมสอนสัตว์ก็เดชเมตตาอยู่พวกเราทั้งหลายถือรับโอวาทของท่านก็ทํานองเดียวกันท่านสงสารพวกเราขนาดนั้นเรายังจะไม่ตัางอาต่างตาศึกษาแต่ตที่ปฏิบัติหรือ ที่นี้พิจนาสอนใจของตัวต่างหน้าต่างตาจะ ท, ทําบําเพ็ญละชั่วทําดีให้พระวีคูณขึ้นผลดีสุดมีมุตสีพระพุทธเจ้ารู้เห็นเป็นอย่างไรจะไม่มีความสงสัยในใจนี่คือประโยชนอ์อย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนจะได้จะเห็นเมื่อต่างใจจะทําบําเพ็ญไม่นใช่ว่าเราไม่มีผิด ทำของอุปใจจ่างโดยผูกขาดแต่เป็นสู่หญิงสื่ชายคารว่าบันทชกิการนั้นสมัยนี้เป็นอาการกกดีกูสื่อใดแต่ทานําเช่นจะต้องเห็นต้องรู้ต้องฝึกต้องสบายตามสี่ตัวทําได้เวลาของอุปใจ้างเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พระพุทธศ า, าสนาจึงเป็นผู้โชคมีถ้าหากพวกเรามาะมาธิปฏิบัติตามโอวาทของท่านพวกเราก็จะได้รับความสุขในปัจจุบันและข้างหน้าจนถึงจิตสุดี่มพ์นิพพานได้แต่นั้นขอพ ว, วกท่านพูธศกษาชนิดกระชนทุกคนจงนำธรรมะไปศึกษาชนิดพิจเจนากระทาบำเท็ญตาม ต่อจากนั้นทุกท่านจะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรจะิญละกอยุติเียงเช่นนี้